ตอนอบรมครับคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึงหตุลาคม2558ตอนที่สก็อใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมะลืนนี้พระครูจะตอบคำถามนะถ้าคุณครูมีคำถามอะไรก็ใส่ไว้ในกล่องนะครับเพราะแ ต, แต่ละคนต้องเจอปัญหาไม่เหมือนกันนะ อันนี้เรียกว่านานาจิตตังมันไม่ใช่แพ็กเกจแพทเทิร์นเดียวกันอะไรนี่นะทุกคนจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันแต่ชั่วโมงนี้พ่อกูจะพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็เคยบอกคุณหมอบัญชาที่ไปบรรยายให้พวกเราฟังนะเออบอกไ อ, อ้โฮลิสติกก็ไม่ใช่เรื่องกายอย่างเดียวต้องบวกจิตวิญญาณไปด้วยแล้วก็เคยบอกคุณหมอว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรม แต่จะไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเกิดขึ้นลอยๆนะสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชกันห้าคนขับรถมาเนี่ยแก้ปัญหาให้และที่เดียวกันเวลาเดียวกันแต่คนละวันสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดที่เดียวกันชายชะกันห้าคนกลุ่มอื่นเนี่ยขับรถมาฆ่าข่มขืน เราเรียกว่าบังเอิญอุปัติเหตุบังเอิญไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดพวกคุณครูทำไมห้าปีก่อนไม่มาที่นี่นะแล้วทำไมเพิ่งมาตอนนี้นะมันมีเหตุของมันอยู่ทีนี้คำว่ากรรมเนี่ย คือพฤติกรรมความประพฤติเราทาสีขาวเนี่ยมันแห้งแล้วจะจินตนาการว่าจะเป็นสีแดงไม่ได้นี่คือทําดีดีทาชั่วชั่วกี่ล้านปีใครก็แก้ทฤษฎีมันไม่ใช่ทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคิดขึ้นมาเองนะมันเป็นความจริงที่พระ อ, องค์ไปเห็นอันนี้คือสากลเนี่ย น, นี่คือสัจ ธ, ธรรมเรามีเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นฝรั่งเป็นคนจีนเป็นลาวก็เกิดแก่ท่นี่คือความจริง แต่ทุกวันนี้หลายๆอย่างที่มนุษย์เราสร้างที่พระครูเมื่อวานบอกว่าความอร่อยไม่ใช่จริงนะเห็นไหมคนนี้กินทุเรียนอร่อยคนนี้ได้กินทุเรียนนี่ทุกมากเห็นไหมอร่อยไม่ใช่ความจริงมันเป็นอุปทานแต่ความจริงเนี่ยก็คือว่าอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้เรื่องกรรมนะมันมีพฤติกรรมทําดีๆทําชั่วชัวทาสีขาวเป็นสีขาวทาสีดําเป็นสีดําอันนี้คือความจริงอย่างยิ่ง แล้วทีนี้เขาจะมีเงื่อนไขเวลาของเขาถ้าเวลาไม่ส่งผลทั้งกรรมดีกรรมชั่วมันจะไม่ส่งผลนะมันมันมันเป็นระบบกรรมถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นเช่นนั้นเองพระเจ้ามันคือกฎของธรรมชาติแล้วมันอันที่สมมันมีเรื่องสถานที่ด้วยทําไมพปกูหยุดชีวิตที่อเมริกาเนี่ย ก็อยู่เมืองนอกสบายดีถึงจะไม่หาเงินก็ช่างเสพสุขอย่างเดียวเอาเมืองไทยกรุงเทพก็มีบ้านเชียงใหม่ก็มีอุบลก็มีมาอยู่ในป่านี้ทําไมมันมีเหตุของมันอยู่มันมีสตรีมาจากฝรั่งเศสเป็นคนเอเชียแต่เกิดที่นูน้นมามาที่นี่สองคนหลายปีก่อนเขามากับกรุ๊ปทัวร์ไปพัทยาเขาได้ยินข่าวที่นี่เขาก็ไม่ไปเที่ยวทัวร์เขาก็มาที่นี่ เขาไหว้ไม่เป็นเขาไม่รู้พุทธนะพอเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคนนึงก็เลื้อ ย, เ ล, อยเลื้อยมาหาคนนี้ค น, นนี้ก็เป่าใหญ่เป่าใหญ่เป่าใหญ่หญนะพอเหวี่ยงไม่กี่วันเองเขาไหว้สวยมากเขาไหว้เป็นพ่อครูก็แยกเลยให้คนนึ่งไปนั่งทั้งหลังคนหนึ่งนั่งหน้ามันก็เลื้อยมาหากันอีกวันหนึ่งเขาเห็นเขาเห็นภาพเลยว่าอ๋อคนนึงเคยเป็นแม่งูคนนึงเป็นลูกงูอยู่ที่นี่ ทำไมพ่อครูเป็นคนไทยต้องไปต้องไประเบิดที่อเมริกาเอาระเบิดแล้วก็ดีแล้วแล้วทําไมต้องมาอยู่ที่นี่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแม้แต่หนึ่งอย่างทําไมต้องเกิดมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาเป็นลูกเป็นแม่กันมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเป็นกรรมร่วมทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบบางคนเกิดมาเป็นลูกคนจีนเขาลักลูกเ ข, เขาก็ด่าว่าไอ้ทอแจ้กเกีย่ยอย่างนี้นะไอ้ลูกทวงนี่ นั้นด่าเพราะเพราะความรักนะมีแต่ขอขอขอขออย่างงี้นะบางคนเกิดมาเพื่อมาจ่ายหนี้มันมีสองด้านหมดไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเราทําดีมาเยอะไหมถ้าไม่เยอะจริงๆนี่ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เฮ้ยเราเร า, เราทําชั่วไหมแน่นอนก็เยอะเหมือนกันถ้าไม่มีความชั่วเราก็ไม่ได้มาเกิดอีกเรามีสองด้านแน่ๆนะไม่ต้องห่วงมีแต่ว่าปัจจุบันนี้เราจะทํำยังไงเราจะเลือกทางเดินแบบไหน เราจะปลดหนี้ไหมหรือเราจะสร้างหนี้เพิ่มเนเพราะครูชี้เรื่องนี้เห็นว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของกรรมนักวิชาต์บอกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่องูก็ไม่มีขาคุณบอกว่าเชื่องูก็ไม่มีขานั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นเองไม่ใช่กำปั้นทุบดิดพิสูจน์ได้ยังไง ได้ท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพร้อมที่จะพิสูจน์สำคัญว่าเอาจริงไหมนัก ว, วิทยาศาสตร์ต้องอย่าโวนสรุปอย่าเชื่อตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อตารายอย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าขานเราต้องทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองโดยเฉพาะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่มันไม่น่าเชื่อ มีอะไรง่ายขนาดนี้เทคโนโลยีก็ไม่ต้องใช้เลยไม่เชื่อเนะพราะครูคนหนึ่งละ่ะไม่เชื่อมาพูดเรื่องนี้ไล่หนีไปหลายคนละ่ะถ้าเราไม่เข้าถึงตรงนั้นนะ่ะมันมันเชื่อยากมากแต่พระ อ, องค์ก็ไม่ได้สอนให้เราเชื่อนะบอกอย่าเพิ่งเชื่อด้วยนะพระ อ, องค์นี่ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบแค่รูปธรรมพลังงาน นะไอน์สไตน์ไปคนพบทฤษฎีสัมพัทธภาพเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องสสารเรื่องวัตถุนะถ้าตอนนั้นเจอผู้เจ้าไอน์สไตน์อาจจะบรรลุธรรมได้คือมาถูกทางแล้วแต่ไปจบอยู่ที่รูปปธรรมแต่เข้าไม่ถึงนามธรรมานามธรรมาก็เป็นความจริงอย่างหนึง่งเห็นไหมรูปนามมันอยู่ด้วยกันรูปนามร่างกายเราถ้าไม่มีนามธรรมาเนี่ยมันหายใจได้ไหมพอคกูถามคุณหมอคนหนึ่งนี่ยผ่าตัด คุณหมอเคยเห็นหัวใจไหมก็บอกเห็นสี่ผ่าตัดมาตั้งเยอะแยะทั้งหัวใจหนูหัวใจกระต่ายหัวใจคนเพราะคูถามว่าทําไมหัวใจมันเต้นมันเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะหมอตอบไม่ได้แล้วคนนี้ตายใหม่ๆอา้ายังไม่เน่าเลยทําไมสมองคิดไม่เป็นทําไมหัวใจมันไม่เต้นแล้วผ่าตัด ห, หัวใจที่มันไม่เต้นแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นที่ยังไม่ตายทําไมมันเต้นขึ้นมาอีก นักวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้นะถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณไม่มีพลังงานทางด้านนำมาทำเนี่ยมันจะไปเต้นได้ยังไงวันที่เราตายนะ่ะจิตวิญญาณมันออกจากล่างบางคนตายแล้วเจ็ดวันมันฟื้นได้ยังไงทำงานศพอยู่ดีนี่เปิดฝังโลงออกมาเนี่ยนะจิตมันกลับมาไงเรืเ่องนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนนะ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับเราเรื่องเล็กมะเร็งในตัวเรานี่เรื่องเล็กเผาเรามันก็จบแต่มะเร็งทางอารมณ์เนี่ยเผาไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่เกิดมาพ่อแม่เดียวกันเป็นลูกฝาแฝดดีเเหมือนกันเลยเห็นไหม อันนี้เกิดมาไอคิวสูงอ น, นี้ไอคิวต่ำอั น, นี้ขี้แยนี่นี่ไม่ขี้แยนี่แข็งแรงตั้งแต่เกิดไม่เท่ากันแล้วไอทฤษฎีที่บอกว่าต้องการให้ทุกคนเท่าเทียมกันน่มันไร้สาระเห็นั้มมันไม่เหมือนกันล่าตาเหมือนกันเห็นั้ยแม่เดียวกันคลอดมาไรเดียวกันทำไมอารมณ์มันไม่เหมือนกันโปรแกรมกรรมที่มันติดอยู่ในจิตเราเนี่ยมันตามมา นะอันนี้น่าศึกษามากอย่างคอมพิวเตอร์ทุกนี้ก็เก่งเพราะกูสร้างคอมพิวเตอร์เนี่ยด้วยมือเราเองที่เมืองไทยเป็นคนกลุ่ม แ, แรกอะ่ะมันก็เอาระบบแบบนี้ล่ะมาเนี่ยเห็นหจิตสื่อจิตนะจิตสื่อจิตได้นะ <Eduardo> เขาเราียกว่าไวเลตนะนี่คือพลังจิตนะก็ชี้ให้เห็นว่าเราทำอะไรอยู่ เอ๊ปฏิบัติแล้วทำไมนอนไม่หลับนะทำไมผื้นแดงทำไมอะไรเนี่ยนะแนวที่เราทำเนี่เราไม่เหมือนเรากินยาเราไปกดภูมิก็ยากดกภูมิมันก็ระ ง, งับไม่ให้มันแสดงอาการแต่ไม่ใช่มันหายนะปวดหัวกินยาพาราปุ๊บมันก็รู้สึกไม่ปวดมันไม่ได้มันไม่ได้หายปวดนะเราไปทำลายระบบประสาทไม่ให้มันทำงาน นานๆกินครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยประสาทเราจะเป็นเอ๋อจากจิตร้อนเนี่ยกลายเป็นประสาทร้อนเลยนะถ้าประสาทมีปัญหาอะไรเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยนะนะมีแต่ว่ายารักษาโรคเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นปัจจัยสี่บางครั้งต้องใช้มันแต่ยารักษาโรคสมัยโบราณเขาทำด้วยสมุนไพรมันไม่มีสารตกค้างตอนนี้ไม่มียาแม้แต่1เม็ดนี่ไม่มีสารตกค้างมีหมด ยากันเชื้อรากันเสียเนี่ยบางครั้งบริโภคแต่พอดีแต่ถ้าไปตอนนี้เบาหวานความดันกินยาตลอดชีวิตนะเดี๋ยวเดี้ยงหมดนะไม่มียารักษาเบาหวานเห็นไหมถ้ามีก็กินก็หายสิคือต้องกินตลอดชีวิตความดันมันกินตลอดชีวิตเนี่ยนะความวิทยาศาสตร์เรารู้แค่นั้นไงเห็นไหมแต่ว่า ทางตอนนี้เนื่องจากว่าจิตเรายังไม่มีอินทรีย์พลักกำลังไม่พอโอเคเราไปติดยาแล้วไงถ้าขาดยาก็เกิดปะกี้ยาโอเคเดี๋ยวเราไม่สบายเรา ก, ก็กินไปก่อนแต่แต่ต้องจำแม่นๆนะกินระยะยาวเนี่ยมันเป็นผลลายยาพราครูไปบรรยายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งคุณหมอพยาบาล น, นะพราะครูก็ต้องจี้ให้คุณหมอพยากรณก่อนได้ยังไงอ่ คือให้เขาสนใจไนงะเขาถึงกล้าถามพ่อครูพราะกคูคุณหมอไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่วิชาหมอทุกวันนี้ก็เก่งเท่าที่เก่งแหละรักษาโรคปวดหัวก็ไม่หายขาดรักษาไข้หวัดก็ไม่หายขาดภูมิแพ้ไม่ต้องพูดถึงอา้าถ้าหายกินแล้วต่อไปยังมีมอย่าปวดเลยสิหวัดกินแล้วหายตลอดชีวิตสิมันเป็นระงับเฉยๆนะไม่เก่งอย่าว่าแต่โรคเอดโมะเร็งเลย แต่ถ้าเรากินยาผู้ที่เจ้าเนี่ยเราจะไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายอีกต่อไปหมอโกรธมากพูดเรื่องไร้สาระถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วไม่อยากตายอีกเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นอยากเกิดแล้วทำได้ด้วยเห็นไหมผู้เจ้าแก้ที่ต้นเหตุแต่ตอนนี้เรามาแก้ที่ปลายเหตุหมด แล้วพอแก้ไปนานๆ น, นะเรียกว่าร่างกายมันติดยาเหมือนคนเขาติดยาเสพติดนั่นแหะติดเหล้าไงนะไม่ได้กินมันลงแดงเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดอุปทานแล้วร่างกายไปติดมันขาดก็ไม่ได้เราเป็นทาตมันละ่ะกินอย่างนี้มันก็รักษาตรงนี้แต่มันก็ไปกระทบอย่างอื่นเบาหวานนี่ไม่ได้ตายเพราะเบาหวานนะนะตายเพราะโรคตับโรคไตนะ่ะ ยามฉีดเข้าไปน่ตับไตพังหมดนี่อาจารย์เดชาแล้วพระผู้ใหญ่ที่นี่นะเบาหวานท่านขึ้นเจ0ดร้อยเครื่องวัดวัดไม่ได้เลยล่ะ6 7เจ็ดร้อยนะท่านมาหายที่นี่ท่านมาหายที่นี่แต่ที่นี่ไม่ได้ชูธงรักษาโรคอย่างนั้นเราชูธงรักษาโรคทุกนะทีนี้เบาหวานเ้าราักษายัางไงอยู่ไหม พอน้ำตาลขึ้นฉีดอุซลินกดให้มันต่ําพอมันต่ําอินซูลินหมดลิตใช่ไหมมันก็ขึ้นอีกพอมันต่ําปุ๊บจะช็อกก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกพราะกูถามหมอคุณรักษาอย่างนี้ได้ยังไงก็เป็นโรคเบาหวานคือน้ำตาลมันมากเกินไปน่ยแต่คุณไปกดให้มันต่ําแล้วคุณไปเพิ่ม น, น้ำตาลตับไตใช่พุงพังหมดพังแล้วเหลืองหมดแล้วเอ้าต้องไปฟอกไตอีก วันนั้นพกว่าอาจารย์เดชายานะให้มันตายเลยพอฟอกตายแล้วเนี่ยตลอดชีวิตมันไม่ได้หายนะรอวันตายเฉยๆไม่มียารักษาโรคเวีนโกกรคกมจมไว้ต้องบริโภคพุทธโอสถหรือธรรมะโอสถแล้วมียาไหนมันมันจ่ายหนี้กรรมได้ไหมไม่มี เด็กวัยรุ่นมันชอบสิ่งขี่มอไสค์จริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆมียาไหนฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมันเลิกสิ่งได้ไหมไม่มีต้องบริโภคพุทธโอสถธรรมโอสถโดยเฉพาะวิธีเราปฏิบัตินี่นะพอมันเกิดอาการเนี่ยคุณแม่เกิดอาการแล้วบอกวันแรกนอนสบายๆพอวันที่สองเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะจิตเราตื่นรู้ตื่นเบิกบานยืนเดินนั่งนอนเขาทาให้เราดูว่า เธอนอนไม่หลับทุกไหมวินาทีที่พระครูเราเบิดนะพ่ะครูไม่ได้นอนสามคืนสี่วันเพราะมันนอนไม่ได้แล้วมันไม่ง่วงด้วยเพราะว่าหลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างไม่ต้องกินสามวันสี่วันนั้นไม่ต้องกินมันทําให้เราดูว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็สุขนอนไม่หลับแปลว่านอนไม่หลับกินไม่ได้แปลว่ากินไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทุกข์สัหน่อยหนึ่งที่เราทุกข์เพราะกังวลว่าอุ้ยฉันไม่ปกติแล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายนะ เขาจะมาสอบเลย ว, ว่าเธอไม่หายใจแล้วบางคนบอกไม่กลัวตายหรอกนะกลัวจะมันจนนะจริงหรือเปล่าพอถึงจะตายจริงๆเนี่ยพอเพราะไอ้อหายใจเนี่ยเราคุ้นเคยกับมันวันใดวันหนึ่งมันไม่หายใจเนี่ยเรากลัวไหมมันเป็นสัญชาตญยาณย น, นะนี่แหละเราฝึกทุกวันเราต้องข้ามพ้นอุปท า, านเหล่านี้เป็นอุปท า, านมันไม่ใช่ของจริงความเจ็บปวดก็เป็นอุปท า, าน ตีอย่างนี้เอาล่ะจากเพื่อนเสด็จเรามันตีเราเอาเล่นแรงเน่ยเราไม่โกรธมันเลยใช่ไหมแต่คู่อริเราเนี่ยมันพูดเฉียดหถเท่านั้นเองไม่แตะต้องเลยเลยโกรธจะเป็นไฟกูจะฆ่ามึงมันเป็นอุปทานนั้นนั้นแหละนั่นแหะถ้าเราปฏิบัติไปไเรื่อยเราจะไม่มีวันเกิดวันแก่วันเจ็บวันตาย ตอนนี้พ่อคูแก่ยุคหกสินึงจิตพ่อครูจะไม่ไม่ง้อที่จะไปแก่กับมันนะมันแก่ก็เป็นเรื่องรถเรามันแก่กับ เ, เรื่องของรถไม่ใช่เรื่องเราไงเรื่องอะไรชีวิตเราจิตวิญญาณมีอายุตั้งหลายล้านชาติเราจะไปแก่กันยุสิบเจ็ดสิบหนี่งโง่นะทั้งหมดก็คือเราไม่รู้ความจริงไงตอนนี้เราเริ่มล่ะเรียนรู้กลับไปสู่จิตเดิมเราเขาจะบอกเราว่าคุณเป็นใครร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เป็นแค่รถจนคันหนึ่งเราขับมันทําหน้าที่เราเท่านั้นเองแล้วสักวันหนึ่งถ้าเราไม่รีบทิ้งมันนะมันทิ้งเราแน่แวันที่มันทิ้งเราเนี่ยเราจะทุกข์มากเพราะจิตเราไปหลงว่ากูจะตายจิตไม่มีวันตายถ้าจิตตายง่ายๆก็ดีนะอะรีบเผาดีกว่าสมัยพุทธกาลนะมีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยท่านมุ่งมั่นมากปฏิบัติไม่บรรลุธรรมวันหนึ่งมินิมิตว่าโอ้ยังเป็นหนี้ไอเสือตัวนี้ เป็นนี่มันท่านไปนอนให้มันกินเลยนะอยอมจ่ายนี้มันปุ๊บจิตบรรลุธรรมแสดงว่าร่างกายตัวนี้มันไร้สาละถ้าให้เสือมันกินปุ๊บเราบรรลุธรรมพอเราบรรลุธรรมมันไม่ใช่เรื่องเราแก้ปัญหาชาติเดียวนะเราแก้ปัญหาวัฏฏะสงสารนะทุกดวงจิตเนี่ยเราสะสมกองกระดูกเราเนี่ย ตั้งแต่เป็นเสือเป็นหมูเป็นห้าเป็นแมวเป็นช้างเป็นเศรษฐีเป็นยาจกทุกดวงจิตมีกองกระดูกสูงเท่าภูเขาพะสุเมนมันสะท้อนให้เราว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมาเยอะจังเลยเห็นไหมเราแก้ปัญหาแบบหลายชาติหลายชีวิตเลยนะไม่ใช่ไปแก้เรื่องชีวิตเดียวเออทำมาหากินมีอยู่ไม่กินเฉยแล้วก็ตายอย่างนั้นนะมันเรื่องเล็กเรื่องเล็ก มะเร็งเรื่องเล็กบางคนปฏิบัติหายได้เอทก็เปลี่ยนเลือดเพียงแต่ว่าที่นี่พระครูไม่ชูธงเดี๋ยวศูนย์ไม่มีที่อยู่และการทำความดีในเมืองไทยต้องระวังที่นี่ฟรีหมดนะเดี๋ยวถูกตั้งข้อหาอเธอมีใบอนุญาตหรือเปล่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปแย่งงานเขาทำนะคือคือพ่อครู้ไงแล้วปฏิบัติทำส่วนจิตมันรักษาร่างกายเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่มัน ร่างกายต้องสมบูรณ์เพราะว่าจิตเขาต้องอาศัยร่างนี้เดินทางไกลมันเป็นสัญชาตญาณของเขาและวิธีเราปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติเพิ่มมันจะเกิดอาการท้องอืดท้องร่วงนอนไม่หลับหนักหัวหนักไายถอยนะ่อย่าตกใจนะความไม่ปกติเกิดขึ้นคือความปกติของแนวนี้เหมือนคองหน้าบ้านเนี่ยนะเราอยู่ต่างจังหวัดนะ กี่สิปีไทยรัฐบาลไม่เคยมาล้างเลยมันก็สะสมตะกอนเดินไปออก็เหม็นเหม็นเหม็นก็เหม็นเท่าที่เหม็นอ่ะวันดีคืนดีเราเปิดฝามันออกเราไปทําความสะอาดเหม็นมากไหมเหม็นมากอดทนส่วนมันเต็มอย่าไปกดมันไว้เหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอเหม็นหนอฝึกเออช่างมันเถื่อก็รู้สึกไม่ค่อยเหม็นพอออกจากบ้านไปเข้ามาใหม่ก็เหม็นอีกเปิดฝาออกสูมันออกให้หมดดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ เหมือนสปริงนั่นแหะเราไปกดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้เออบอมินวิสมาธิก็กดอยู่เผลอปุ๊บไอ้ลูกตัวโตชนมาเด้งผังเลยเห็นไหมเห็นไหมมีตัวอย่างนะยุคเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคูบาอาจารย์เนี่ยกดมันไว้38ปีพอเด้งผังเลยก็ออกไปน่าเสียดายมากเราต้องทําลายสปริงซะทาลายสปริงเมื่อมันทําลายแต่ทําลายต้องอดทนมันก็ดีดนิ้วเราบ้างเพราะกําลังเรายังไม่ถึง ผู้นคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นไรพอมันเกิดอาการพุกโอเคเนื่องจากว่าเราไม่มีกำลังก็พึ่งยาบ้างไม่เป็นไรแต่ตอนน้องรีบปฏิบัตินะไม่ต้องพึ่งยาอยีกต่อไปแต่ตอนนี้เรายังทำไม่ได้เพราะกำลังของจิตเร า, เราทำลายสปริงเมื่อเราทาลายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดเลยสงบตลอดการดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์ตอนนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปแก้ที่ปลายเหตุ เขามีเจตนาหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเขาผลิตยาชิ้นหนึ่งว่ากินแล้วปุ๊บไม่ปวดหัวตลอดการเลยถามว่าเขาจะผลิตไหมเขาไม่เอาหรอกเอาแค่พิสูจน์ว่ามันหายทันทีเลยเนะ่เขาก็ขายได้ไงเขาถูกธุรกิจนิยมนี่แทรกอยู่นะให้เชื่อมั่นตัวเองนะพกครูเวลานั้นไม่ต้องถึงขนาดพกครูหรอกเจ็บเขามันเหมือนแสงเลเซอร์อยู่ตรงนี้นะหน้ามันสว่างป๊บมันบอกหายแล้ว เป็นไมเกรนหายแล้วโรคกระเพาะหายแล้วมันล้างอุปทานเท่านั้นเองแล้วมันก็หายไปจริงๆอย่าว่าแต่เอียดเลยเนี่ยอะไรก็หมดโรคทุกโรคมันคือผลของกรรมเมื่อเราจ่ายหนี้กรรมแล้วเนี่ยคำว่าธรรมะจัดสรรเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าที่ไหนมาทําหรอกจิตเขาจัดการเองนะแล้วก็นั่งแล้วบางทีเอ๊่นั่งแล้วไม่เคยสวดมนต์มันสวดมนต์ได้ยังไง นั่งแล้วไม่เคยเล่นโยคะเล่นกนคาดอย่างไงเนี่ยเรื่องจิตวิญญาณมีสองอย่างนะหนึ่งเอาไซน์อินคือพวกเข้าทรงจิตเราอ่อนแอก็ถูกข้างนอกมาครอบงำอันนั้นเป็นอวิชาเราไม่ได้อะไรเลยเราถูกมันสั่งการหมดนะเห็นไหมไม่เคยกินเหล้าอะไรเลยไอ้ทรงมันกินเหล้ากินกินกินกินกินกินกินมันไม่เป็นไรก็จริงตอนนั้นนะแต่ว่ามันส่งผลทางกายภาพเรา นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตวิญญาณเราจริงๆเนี่ ย, น, ยนะเขาไม่ทำ้ายร่างกายนี้อยู่แล้วเขามีหน้าที่เนี่ยรีวิวนะมายกเครื่องร่างกายนี้ให้มันแข็งแรงเพราะว่าเขาต้องอาศัยร่างกายนี้กายเวทนาจิตทำเทวดาทำไม่ได้นะอย่าไปทำบุญเพื่อจะขึ้นสวรรค์นะขอร้องไม่จำเป็นอย่าไปเลยเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุทุกข์มันสุขได้ยังไง ชอบผลไม้อะไรครับผลไม้ที่ประจำตัวเราชอบที่สุดแอปเปิลกินแล้วถ้าเรากินสิ่งที่เราชอบเนี่ยดีใจหรือเสียใจดีใจเดี๋ยวพรอครูจะให้คุณครูกินแอปเปิลเนี่ยปีหนึ่งไม่ต้องกินอะไรเลยเนี่ยมีสุขไหมสุขไหม น, นั่นเทวดาทุกมากต้องเสพสุขเพราะมันไปติดกรรมดีเราอยู่ขัางบนหลายรอบแล้วไม่จำเป็นอย่าไปอีกเลยตอนนี้ขาเอาสวรรค์มาล่อทบุทับ ม, มุนจะไปขึ้นสวรรค์ แล้วรอเกิดมาใหม่อีกเนี่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ผู้เจ้าชี้ทางพ้นทุก์ให้เราเนี่ยคืออริยสัจสี่มรรคบีองค์8เข้าไปสู่อริยะเราพัฒนาคนเนี่ยนะคนนี่มีสองขานะคนจีนเนี่ขาเขียนเขาวาดเป็นรูปคนเลยคือสองขาเห็นหเดินไปก็เซไปอย่างนี้นะลมพัดลมเพทีนี้คนพัฒนาได้มันเป็นอย่างนี้นะ พัฒนาให้มันยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วข้างหลังนี่เขาเขียนคําว่าภูเขาเหยิญซันอ่านรวมกันว่าเป็นเสียนเสียนนี่มาจากคนพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเซียนนี่เป็นแค่พรมวิหารที่อยู่ของพรมพรมคือมนุษย์ตัวเสดอันี้น่ยไปเสียเวลาอยู่บนสวรรค์เสียนยังติดสุขอยู่แต่ตั้งมั่นดั่งขุนเขาเนี่ยคนจริงเขาเขียนเนี่ยคน ภูเขาอ่านว่าเสียนทีนี้เราพัฒนาเสียนเนี่ยนะข้าเสียนมันทิ้งซะข้างหลังเขาก็เปลี่ยนใหม่เขียนคําว่าถ้าภาษาอังกฤษบอกไอเน่ยข้ามันทิ้งซะกลายเป็นโฝเสียนนี่กลายเป็นฝอคือพระเราสามารถพัฒนาไปสู่มนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นพรมได้พัฒนาไปสู่อริยะบุคคลได้นั่นคือทางคนทุกนี่คือความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐ แต่ตอนนี้เราเป็นคนสมัยก่อนภาษาไทยเราเนี่ยคุณครูสมัยก่อนก็เขียนคำว่าคนเขาใช้ตัวอักษรอะไรคอคนใช่ไหมครับแล้วเมื่ อ, อไหร่เขามาเปลี่ยนเป็นคอควายตอนนี้คนกลายเป็นลูกผสมระหว่างควายกับหนูควายกับหนูผสมกันนะลูกผสมนะคนคนคนวุ่นวายไปหมดเลยสมัยก่อนคอคนตรงนั้นแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือคนคือมนุษย์ แต่ควายปนูผสมกันเนี่ยมันคนมันวุ่นวายกันไปนหมดมันแปลเป็นอย่างอื่นได้เห็นไมภาษาไทยก็เปลี่ยนนะนะแล้ว เ, เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเราก็ไม่รู้และถ้าเราไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเราจะหลงภาษานั้นก็ชั่วโมงนี้ก็บอกว่าอย่า ก, กังวลนะพอมันมันเกิดอาการอะไรขึ้นมามันกาลังขับออกอยู่นะ ยิ่งเจ็บยิ่งเหวี่ยงยิ่งปวดยิ่งเหวี่ยงอย่าไปห น, นีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพน้นเราหนีมันวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้าแสดงว่าเราเหนียวนี่เราไม่ยอมจ่ายอย่าไปเชื่อใจเราใจมันใจส่อมากมันกลัวไปหมดเลยเชื่อจิตอย่าไปเชื่อใจเทกำลังให้จิตหมดสามสี่วันอยู่ที่นี่เนี่ยเทให้มันเลยถ้ามันจะฆ่าเราทิ้งนระาตายเลยมันกล้าฆ่าไหม จิตไม่โง่นะมันต้องอาศัยร่างนี้เนี่ยเดินทางเทวดาไม่มีร่างทําไม่ได้เทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุกกินแอปเปิ้ลทุกวันเนาะทุกปีเลยนะดูมันสุขหรือเปล่าเห็นไหมเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐดีๆนี่ไม่ต้องการไปทําบุญไปเป็นเทวดาหรอกไอส้สวรร์สวรรษสมบัติมนุษย์สมบัตินะโลกสมบัติสามโลกกระทาเ น, นี่ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารยังไม่ใช่ทางผลทุกข ที่เราทำบุญทำทานเนี่ยเพราะสลัดความโลภความตนีออกนะนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่ไปซื้อบุญนะทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญนะทำบุญกับพู้ที่เจ้าร้อยบาทนอกมาตั้งนานไม่ประกาศชื่อทักทีหนึ่งสมมติเรามีโลภโกรธหลงล้วทำบุญเพื่อทำลายความโลภไม่เพิ่มความหลงอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดบุญ ทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานคือจากะคือสลัดความโลภความตณีออกเป็นการขัดเกลาจิตให้ผอมใสยอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้สังคมไทยเราหลงบุญไปซื้อบุญนะไม่ได้บุญนะมันเป็นแค่กิริยาในการทเป็นบุญกิริยาแต่ไม่ใช่บุญกุศลจิตไม่เป็นกุศลเลยยังทาจากความอยากอยู่นะถ้าเป็นสายมหายาณอาจารย์ตักโมน่ะ หรืออาจารย์โพธิธรรมน่ะ น, นะท่านเดินทางมาจากอินเดียจั ก, กรพัฒด์บุก็นิมนต์ให้ท่านไปไปสนทนาธรรมท่านก็รายงานว่าท่านสร้างมหาวิยาลัยนะมาจันลงพระาศาสนามาเผยแพร่พุทธศาสนานะเอาคนพันคนมาแปลพระไตรปิฎกท่านดูสร้างวัดตั้งกี่วัดดูแลพระภิกษุสมในหลายพันรูปท่านถามอาจารย์ตักมอว่าท่านจะได้อะไร อาจารย์โพธิธรรมบอกว่าจะกระพัดหูไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเตรียมตัวตกนรกชั้นเจ็ดจะกระพัดหูโกรธมากมีใครบังอาจนี่นะแต่อาจารย์โพธิธรรมนี่บารมีท่านเยอะก็ไม่กล้าไงก็ถามว่าเราทําความดีเราจะตกนรกได้ยังไงนะมันเป็นกิริยาของการทําบุญเนี่ยถ้าคุณทําบุญนี่จะคุณจะมาถามทําไมคุณจะได้อะไรทําบุญแล้วไม่ได้อะไรเลย ได้โยนความโลภออกแค่นั้นเองเนี่ยทำบุญตามคุณทำเพื่อสนองตัญหาอยากให้เขาสรรเสริญเยินยอน่นะกิเลสทั้งนั้นตกระลกชั้นเจ็นั่งอยู่เฉยๆยังไม่ขาดทุนนะถ้าอย่างนั้นนะอย่าไปหลงบุญนะหลงอะไรก็คือหลงติดคือโลภ ก, กดหลงนั่นแหละมันไม่ใช่ทางผลทุกแต่ตอนนี้เขาเอาเรื่องบุญมาหลอกล่ออะไรๆกันเนี่ยบุญต้องทา แต่ทำแล้วให้มันเป็นและให้มันเป็นบุญจริงๆไม่ใช่ทำบุญไปสะสมบุญในกิเลสนะนอันนี้อันนี้ที่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะพอกู ก, ก็พูดให้ฟังว่าหลายปี2ี่ปีนี่พอกู เ, เห็นมาเยอะมากแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านได้โอ้ยเจ็บสบายสบา ย, บายมานั่งให้มันเจ็บทำไงไปดีกว่า แล้วก็อีกไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุตายมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อเอมีแฟนน่นลหละไม่มีลูกเป็นโรค sle โรคพุ่มพวงดวงจันทร์ไปรักษาจนหัวนี่ผมร่วงหมดละนะเออร่วงหมดหน้านี่เกียงไปหมดเลยมาที่นี่เนี่ยเด็กเห็นผมวิ่งหนีเลยเหมือนผีตายซ่า มาอยู่กับพ่อครูสามเดือนหมอบอกว่าอีกสองเดือนเนี่ยพุ่มพวงจะมาเอาเป็นหางเครื่องห <c oughs> มอบอกไม่รักษาหรอกไปวัดซะไปทำใจเขาก็แนะนำมาที่นี่มันมาอยู่สามเดือนมันฟื้นไม่ใช่ฟื้นเฉยๆผมฟื้นวปกติเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วเลือดลมันวิ่งเขาสวยกว่าเก่าอีก มันก็ออกไปใช้ชีวิตอีกเก้าปีบังเอิญสามีมันเจ้าชู้ไงมันก็ฉลาดเนาะสมัยก่อนเ็าบอกว่าคนมีชู้สู่สาวเนี่ยมันผิดศีลไงมันก็ไม่มีชู้มันไปมีกิ๊กไงมันเลี้ยงบาลีมันมีกิ๊กไอเอนี่ก็ทุกมากมันก็ไปเที่ยวก็ไปกินเบียกกินเหล้าอีกอาการมันก็เกิดขึ้นอีกมันรู้เลยว่าจะไปไหนมาอยู่ที่นี่อีกสี่เดือน มันระลึกชาติได้20่สกว่าชาติมันก็โน้ตเขียนไว้ให้พ่อกูดูเลยเขาเหมือนไม้เสียบผีเลยนะสามเดือนเดือนสุดท้ายนี่สามสิบสามวันไอเอมันไม่ได้กินข้าวไม่กินอะไรเลยน้ํานี่มันบริโภคแค่ระคายครองไม่ให้ถึงกระเพาะด้วยนะมันกินไม่ได้แต่กลางคืนมันวิ่งมันวิ่งเนี่ยไล่จับมันไม่ทันนะพลังมาจากไหนไม่รู้วันสุดท้ายแล้วเนี่ มันหมดพลังแล้วมันบอกว่ามันทำไมมันหมดแรงนะเราก็ค่อยๆให้น้ำเกลือแล้วก็ให้อาหารเหลวมันน่ตอนนั้นมันระดุดชาติมันรู้เลยว่าสาเหตุต้นเหตุที่มันเป็นโรคนี้เพราะอะไรและทุกชาติของเขานะจะเปิดเป็นผู้ชายก็ช่างผู้หญิงก็ช่างนะเคยเป็นในพานไปฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยนะไม่มีลูกชักชาติเป็นสัตว์ก็ช่างไม่มีลูกชักชาติมันเป็นกรรม แล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาจากวันนั้นถึงวันนี้ยี่สิบปีแล้วมันก็ยังอยู่แต่พุ่มพวงตายเพราะอะไรไหมเพราะมีเงินรักษาไอ้เอมันฟื้นเพราะอะไรไหมเพราะมันไม่มีเงินรักษาไงมันมายอมจ่ายหนี้กรรมแต่เขาเป็นคนที่แรงที่ว่าพวกเราคงไม่ผ่านแบบนั้นมันมาโปรแกรมแรกนะมันโดดขึ้นมามันก็เอาหัวมันฟาดพื้นปังเลยนะ พี่เลี้ยงเขาก็เอาบ่อให้เนี่ยมันเอาบ่อออกมันต้องเจ็บมันเห็นเลยว่ามันตีหัวประดุกมันทุกทรมานมากแต่มันไม่หนีไงบาลงก์มีเกา่าชาติหนึ่งเขาเคยเกิดเป็นพราทุดงกานะน ะ, นะทุกชาติมันไม่ตายดีหรอกเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นพรค ก, ก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าตายสงบหน่อยหนึ่งแล้วชาติสุดท้ายที่จะมาเป็นจะมาเป็นเอเนกเคยเป็นไม่ฉี่สมุดเ่มนั้นยังอยู่กับพ่อกู เพียนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำอย่างนั้นได้เหมือนเราเป็นหนี้ธนาคารเราบอกเอ้ฟังพระครูบอกว่าหนี้สินก็สมมุติเงินทองก็สมมุติเราไม่จ่ายมันดีได้ไหมธนาคารมันยอมหรือเปล่าอย่าหนีหนี้นะอย่าค้ากําไรเกินควรนี่แหะอะไรเกิดขึ้นเราก็ช่างจาไว้ว่าจิตเราไม่ทำร้ายตัวเองแน่นอนไม่ใช่เปรับขันนะเออ กินยาสมุนไปบางทีก็อเลอร์จิกบางคนก็ถูกชะตาบัณฑแพั์ที่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเราทำเองทั้งนั้นทำเองหมดนะแล้วก็เมื่อคืนนี้มีคุณครูผู้ชายคนหนึ่งเดินมารายงานพวกครูว่าคืนก่อนมาคืนแรกนะ่ะก็รับโทรศัพท์ที่บ้านเกิดเรื่องนอนไม่หลับคิดหาทางออกทั้งคืน พอตื่นเช้านะพ่อครูบอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสินเต้นใหญ่เช็ค ก, กิ้งใหญ่มันสลัดอารมณควงใหญ่ปุ๊บเนี่ยจิตมันเกิดปัญญามันชี้ทางแก้ให้โทรไปเรียบร้อยปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นจากเราไปย้ำคิดย้ำทำเราไปกลัวเองความกลัวทำให้เราเสื่อมความกลัวต้นเหตุมันเกิดจากความอยาก อยากปลอดภัยกลัวไม่ปลอดภัยอยากสำเร็จกลัวไม่สำเร็จเห็นไหมความกลัวเกิดจากความอยากวินาทีนั้นเราก็กลัวกลัวกัวกลัวจนอย่าไปใช้ความคิดมาแก้ปัญหาที่มันเกิดฉับพลันนะต้องเลิกคิดทีนี้วิธีเลิกคิดเลิกคิดเลิกคิดเลิกคิดเราเลิกได้ไหมไม่ใช่เอาความคิดมาบอกมันเลิกคิดนะคิดเพิ่มเติมอีกกำลังสองนะ เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่สมุดปาการเนี่ยโทรมาหาปุ๊กไปศูนย์ไไยังไงไปศูนย์ยังไงจะไปเดี๋ยวนี้ปุ๊กว่าคุณต้องมาเนี่ยเดี๋ยวคุณถึงกลางดึกนะคุณจะมายัางไงยังไงก็ช่างฉันต้องหนีออกจากเดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้คือหนึ่งไม่งั้นฉันก็ฆ่าตัวตายมีสองอย่างจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ไม่งั้นต้องหนีออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้มาเลยพเพราะคูเห็นอารมณ์นะพเพราะคูไม่คุยด้วยบอกไปเต้น เป็นนานๆยนแค่สองชั่วโมงอยู่แล้วนี่ยิ้มเลยคือมันหลุดออกจากอารมณ์กลัวอารมณ์ที่มันมันผิดหวังอ่ะเป็นหนี้เป็นศินแล้วก็สามีก็เจ้าชู้อะไรเนี่ยมันบอกกูฆ่าตัวตายอย่างเดียวเหมือนคนหนึ่งกูฆ่าตัวตายข้าตายเราบอกให้ตื่นตื่นตื่นตื่นตื่นตื่แล้วสันมันตื่นเมื่อมันตื่นออกจากผวางตรงนั้นล่ะมันก็มีสติอะไรง่ายๆไม่ได้ยากนะถ้าใครเลี้ยงสุนัขที่บ้านสังเกตดูนะ เวลามันนอนกลางกลางคืนเนี่ยพอลุกขึ้นมาเนี่ยงานแรกมันทําอะไรมันทําอะไรครับที่มันลุกขึ้นมามันทําอะไรก่อนมันยืดเส้นแล้วก็มันก็ะเช็คยิ่งมันสั่นมันคลายความตึงเครียดของมันและบางทีเช้าเมื่อมันเห่ามันหอนมันคลายอารมณ์เครียดมันจึงไม่เป็นมะเร็งไงเด็กๆมันเล่นกันมันชนกันล้มลงไปร้องมันปล่อยออกมาหมดลุกขึ้นมาก็เล่นกันต่อไง แต่ผู้ใหญ่เราได้ไหมแค้นนี่ต้องชำระสิบปียังไม่ใชยบวกความเครียดยางนะแล้วมะเร็งมันจะไปไหนล่ะวัดเศ่าลิน่ะนะเขามีหลายร้อยขบวนท่าเลยนะแต่ละขบวนท่าเนี่ยเขาอาศัยเขาเรียนรู้กัตสัตว์ทั้งนั้นแหละมันเป็นขบวนการฝึกจิตฝึกสมาธิสติมันจะเกิดพลังไงนะ วิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดลอ้อมถ้าจิตสะอาดแล้วภูมิคุ้มกันเราก็เกิดเห็นไหมเมื่อเช้านี้เราทานข้าวแล้วก็ใช้ฟันมาเคี้ยวแล้วก็เกลืนลงไปกระเพาะลำไส้มันก็ย่อยมันก็เอาของดีมาใช้ของเสียกลับทิ้งเรามีเงาโรงงาน ฟอกอากาศเรามีโรงงานมีสมองกลเรามีโรงงานย่อยสลายอาหารเอาของเสียมาใช้เอาของเสียขับทิ้งเอาของดีมาใช้เรามีโรงงานขับกา ก, กอาหารขับนี่คือสิ่งมาหาจรรย์นแต่เราไม่เคยรักมันเลยเรากลั ว, วมันตายชาเราใช้มันอย่างไม่บรรยาบัรรยังเอาสิ่งสปกปรกให้มันเพราะกูผ่านมาแล้วสูบบุหรี่เข้าไปกินเหล้าเข้าไปคิดคๆๆ ค, ร ค, รครเราไม่เคยรักตัวเองเลย ตอนนี้ก่อนนี้นะ่ะเรายังโง่อยู่นี่คือชีวิตไงไอ้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เก่งนะลองไม่มีไฟฟ้าชาติบันสิมันก็เป็นเศษเหล็กก้อนนึงอะแต่นี่ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์นี่ไปตีมันไม่รู้สึกนะเป็นแค่ไอ้เหล็กก้อนหนึ่งไม่มีเลือดเนือ้อไม่มีน้ำไอ้นี่มันรู้หมดเลยมันคือสิ่งมหาศาลนนะ่ะแต่ตอนนี้มนุษย์เรามีค่าแค่อะไร เนี่ยโลอินยาเนี่ยเขาหนีมาเมืองไทยตอนนั้นลงเรือนะทุกประเทศอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะแต่ถ้าเรือลำนั้นเน่ยเปลี่ยนจากโลอินยาเนี่เป็นวัวเป็นควายนีย่ทุกประเทศแจ้งกันนะให้เอามาหน่อยหนึ่งเอามาหน่อยหนึ่งเป็นอาหารนะเนี่ยมนุษย์เราคิดได้แค่นั้น<笑><笑><笑><笑><笑>เห็นไหมแล้วโลกนี้จะอยู่ได้ยังไงนะก็อันนี้เล่าเป็นบทเรียนแล้วก็ พอเอเขาหายดีตอนนั้นหายด้วยพลังสมาธิพลังเวียงเลือดลมมันวิ่งมันก็หายแต่โปรแกรมกรรมมันยังอยู่ครั้งที่สองเนี่ยมันระลึกชาติมันบอบช้ามากนะมันหายด้วยปัญญาของจิตแล้วการจ่ายนี่กรรมนะพ่อคูบอกไปจะให้รางวัล น, นะบังเอิญนนะัเกลียวนะัอ้วนบ้านอยู่สีลมกลางใจมาองเทพนะเบียงปุ๊บก็มาอยู่กับพกก่อกรูมาขออยู่พ่อ ก, กูว่า โอเคลองอยู่ดูก่อนไม่ให้ทำสองเรื่องลองถ้าทำได้อยู่ได้หนึ่งไม่ต้องใช้เงินสมเดือนนะไม่ต้องทำอะไรเลยเนีย่สามเดือนเนี่ยถ้าทำได้อยู่ได้ไม่ใช่ทำง่ายนะคนมันเคยทำเรื่องอะไรไม่ให้ทำอะไรพอแกทำได้บังเอิญในเ อ, าเอาหายไปพวกเราไปเที่ยวกันในศูนย์ตอนนั้นไปสิบกว่าคันรถตีตื่นตีสี่ ไปผาแต้งบังเอิญเช้านั้นน่ยท้องฟ้าเปิดนะดวงดาวยังอยู่เลยเต็มหนดนะพระจันทร์ก็สวยมากบังเอิญชั่พักหนึ่งพระอาทิตย์เขาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมานีทุกคนก็ไปถ่ายรูปกันพอมานั่งพรอครัวเห็นอะไรบ้างไอ้เจ้าเอ็นบอกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาอยู่ไหนเขาบอกนั่นๆั่นั่นไหนไหนไหไหนพ่อครัวเขาก็งงว่าพ่อครัวทำไมไม่เห็นพระอาทิตย์มันไม่เคยขึ้นไม่เคยลงโลกมันหมุน ไอเอมันบอกว่ามันเวี่ยงทิ้งหมดแล้วมีเหลืออย่างหนึ่งเวี่ยงไม่ทิ้งเลยมันอกหักเพราะแฟนไม่รักเพราะครูบอกเอคิดผิดคิดใหม่ได้นะที่เธออกหักนี่ไม่ใช่เป็นแฟนเพราะแฟนเพราะแฟนไม่รักเป็นเพรเเพาะเธอเป็นรักเป็นหลงรักเขาเวี่ยงทิ้งชีวิตของเราทําไมโง่ทําไมทําให้มันเราทุกข์อ่ะพระอาทิตย์ไม่เคยขึ้นไม่เคยลงเราประกาศอยู่ในพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงลงกี่โมงเด็กก็รู้คิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นไปลงมันก็อยู่ของมันโลกมันหมุน เป็นเพราะเธอไม่รักฉันฉันจึงอกขาดเห็นไหมเป็นเพราะเราโง่เองเราถึงอกขักไอย่าไปโทษนะพระอาทิตย์ไม่จะขึ้นไม่จะลงอัตหิอัตโนานาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้กําลังใจคุณครูอะไรเกิดขึ้นความไม่ปกติเกิดขึ้นมันกินไม่ได้นอนม่าดับท้องอืดท้องร่วงหรือว่าเออมันขับพิษออกมาเนี่ยนะอย่าตกใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งพวกเราเนี่ยการขับถ่ายเราเนี่จะสมบูรณ์นะ การระภ่ายสมบูรณ์เลือดลมมันวิ่งบ้าขึ้นปุมกันจะเกิดนะโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นเรา น, นอยนอกจากโรคอุบัติเหตุเป็นโรคเวรโรค ก, กรรมนะนั้นใครช่วยก็ไม่ได้นะเราไม่สามารถจ่ายหนี้กรรมได้ทั้งหมดหรอกองคุริมานเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ย่าไป999ถ้าไม่รีบเผ่นออกจากวัตะนะบวกกับของเก่าอีกไม่รู้กี่ชาตินานยาวเลยเราหนีมัน แต่ช่วงที่หนีเนี่ยไอ้ไอหนี้กรรมมันก็ทวงเราก็จ่ายมันเท่าที่จ่ายได้แต่ต้องสร้างกุศลเนี่ยให้หนีออกจากวัฏฏะสงสารซะอย่าไปว่าอุ้ยท่านไม่คิดหรอกนิพพานสวรรค์ยังกยใกล้ไกลเลยนิพพานอยู่นู่นอันนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตเขาอยู่รอเราอยู่แล้วทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังทุกคนทําได้เพราะเราเป็นคนไง เราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐทำไมเราจะทำไม่ได้ได้องคุริบาลยังทำได้ชาตินี้คงไม่เผอไปทำช่วงเหมือนองคุริบาลฆ่าคน9ก้เก้าใช่ไหมแน่นอนเรามีของดีเคนะไม่ต้องกลัวเดินต่อไปนะแล้วก็ช่วงบ่ายพวกกูจะมีสาธิตการปฏิบัติของรุ่นพี่เขาให้พวกเราชมโอเคนะก็เตรียมตัวปฏิบัติ